นะโมตัสสะตัคควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะตควโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะควโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรมะกุสลลารมา อภิญญาคตาธรรมานิิปังสาธุปานังกัลปายุกตะเวทิตาตีตีณนะโอกาสบัดนี้อาตมาพาดจะสแสดงพระสธรรมเทศนาในใจความของพระอริธรรมและเมตตก ร, รรมนาบารมีจะบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายประการบังเป็นคนก็บรรดาท่านพุทธบริษัต ท, ห ล, ล ท, ท, ตทหลายวันนี้มีในสงฆ์หลายประการด้วยกัน จะขอนําอริสง์โดยย่อแต่ละอย่างมากล่าบแก่บบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อความเข้าใจว่าการเพศในพุทธศาสนานั้นใช้คือต้องการให้บรรดาท่านนั่งเข้าใจว่าบุญวันนี้มีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ในตอนต้นบรรดาท่านพุทธศาวนี่ก็สนนั่งไหที่มากันก็ตั้งใจไปอันดับแรกคือถวายสารทานการถวายสารทานในบรรดาท่านพุทธบริษัท ตามอานิสงส์ตามที่เก่าในธรรมะหมดเก่าวตานในรถไฟบิดกจะมาในวิมานนวัตวิมานวัตถุจกล่าวว่าคนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเอาแค่ครั้งเดียวก็ได้นะถ้าหลายครั้งมีอันสมมากกว่านั้นถ้าตายจากความเป็นคนแล้วไปเกิดเป็นเทวดาแล้วนางฟ้าบนสวรรค์ขัตติห้าที่มีนามวานิมานาดี ถ้ากลับลงมาเกิดเป็นคนใหม่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมสาสันดาสมาสมพุทธาทรงตรัสว่าเขาพูดนั้นถ้าเกิดเป็นคนกี่ชิก็ตามจะไม่ยอมมีความยากจนเขินใจในสถานที่ใดประกอบด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขไขข้ขอความสรคั ส, ส, สมบัติคนที่ถวายสักฆ า, านแล้วไม่เกิดในที่นั่น ในสถานที่ใดที่มีความปรดมสมบูรณ์โดยสมบัติพระสถานเขาจะเกิดในทีนั้นนี่เป็นอนส อ, อันหนึ่งของวันดาท่านพุทธบริษัทที่ทำในวันนี้แต่การร่ํำรวยมั่งมีนี่องค์สมเป็นจิระสิสีกล่าวว่าจะรวยรต่อไปดีกว่าจะเข้ า, านิพพานอันนี้เป็นอันดับแรกและเป็นการในสองวันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านวันนี้มีอนันหนงพิเศษนั่นคือบทเลนแปดิห้าองค์ แล้วก็บทชีพราหมณ์นักเรียนของเรียนนี้บทชีพราหมณ์อีก60สิบองศาเศษสําหรับท่านทีบทชเน้นก็ดีบวชชีพราม์ก็ดีทุกคนได้ฌานสมาบัติหมดเพราะว่าโรงเรียนนี้มีกฎบังคับว่านักเรียนที่เข้ามาเรียนได้โรงเรียนนี้ต้องได้ฌานสมาบัติให้เขาไมชฌานสมาบัติจะมันมีอยู่สาสี่ตอนต่อเนื่ง ก, กันขึ้นหนึ่งสุขวิวะสโก ชาตสมาบัตด้านนี้ไม่มีความเป็นทิพยไม่สามารถเห็นผีเห็นนรกสวรรค์ได้สองเตวิโชคือวิชาสามชาตสมาบัตเครื่องบดนี้เห็นผีเทวดาเห็นนรกได้แล้วชาติได้แต่ไม่สามารถจะไปเที่ยวได้หมวดที่สี่คือชละพิญโยได้แก่ปัญญาบมวดนี้เห็นเทวดาได้เห็นนรกสวรรค์ได้เห็นธมได้เห็นนิพพานได้และไปได้ด้วยหมวดที่สี่เรียว่าสมิทายาน สำหรับฌานสมาบัติที่นักเรียนได้วันนี้ที่จะโบสถในวันนี้นะเป็นหมสถที่สามคือทุกคนได้พิญญาสมาบัติตร้างการบําเพ็ญกุศลบรรดาท่นพุทธบริษัทพระพุทธเจา้าทรงแต่ว่ามีอันทรงไม่เสมอกันยังให้ทานกันสัติ์ฌานร้อยครั้ง <c oughs> ก็ยังมีผลไม่เท่ากันใใครทานกับคนได้ไม่มีศีลเลยหนึ่งครั้ง ให้ทานกัคนที่ไม่มีศีลเลยห น, ring, usions, น Hyundai, to to to THERE, ึ <are> ่งครั้งเขาโทษร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานกับคนที่เคยมีศีลและศีลขาดไปแล้วหนึ่งครั้งให้ทานกับคนที่มีศีลขาดแล้วร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานกัคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งให้ทานกัคนที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งคราล้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่องโสดาปฏิมาษถึงครั้ง สำหรับผู้ใดชาติสมาบัติในบรรดาท่านพุทบริษัทท่านถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปันทิมักฉะนการที่บรรดาท่านพุทบริษัทบทเนรคำนี้จึงมีอานิสงส์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบทเนบทพระมีอานิสงส์เป็นกรณีพิเศษไอ้สงส์อย่างอื่นใดที่ไม่ใช่บทเนไม่ใช่บวก็จะไม่ใช่บทพระอย่างนี้พ่อกับแม่เอาเฉพาะพ่อกับแม่นะ พ่อกับแม่ของคนที่บวชจะต้องโมทนาก่อนหรือโมทนาที่หลังก็ได้จึงจะมีอานิสงส์สาหรับคนที่บวชนใ น, นระบบพระนี่ตามพระบาลีท่าบอกว่าพ่อกับแม่จะรู้หรือไม่รู้ก็ตามย่อมได้อานิสงส์ทันทีตามในมงคลอธีพนีได้กล่าวว่าสมมติว่าพ่อกับแม่ทอดลู ก, ออกไปแล้ว ก็ทอดแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ได้เดี๋ยวหลังมาดูใหม่ว่าลูกจะเป็นระยะตายอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าพอดีลูกบทในภายหลังเป็นว่าพ่อกับแม่คนนั้นได้อานิสงส์ทันทีในการบดเลนนิบันดาทางพระริษัตสำหรับคนที่บทเลนเองที่เป็นเนนนะจะมีอานิสงส์เป็นเทวดานี่เป็นนางฟ้าที่เป็นพรมได้สามสิบกลับ สำหรับพ่อกับแม่จะรู้หรือไม่รู้ก็าตามหมดนาหรือไม่โมัดนาก็าตามจะได้เมียสมเป็นเทวดาได้นางฟ้าคนละสิบห้ากับสำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่ทำบุญเรื่องในการอริษวานในบทสมณะในวันนี้จะทําบุญมากก็าตามน้อยก็าตามไม่ว่าจะมีอธิษสานองค์ละสี่กับก็ไม่ว่าวันนี้บวชแปดสิบห้าอง ญาติโยมหลายก็ได้สองคนละสามร้อย ก, กว่าต้องเกิดเท่าไหร่นะสามร้อยสี่สิบกับเท่าไหร่ญาติโยมทั้งหมดที่ทําบุญบทในวันนี้จะมีใ น, นสองเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าและเป็นกรมคนละสามร้อยสี่สิบกลับความจริงไม่น่าจะมีลู ก, กนะภายใส่ก็ดีกว่าฮเลี้ยงลําบาก <c oughs> แต่ว่าพ่อกับแม่พวกเลน ลูกบวช ด, ด้วยแล้วก็โมทนาทำบุญโมทนาบวชคนอื่นด้วยนอกจากของตนจะได้คนเสียสิบ้ากลับแล้วยังได้เพิ่มไปอีกสามร้อสี่สิบกลับนี่เป็นว่าเป็นการป้องกันให้บรรดาเจ้าพุทธศาสนัตว์ไม่ต้องลงนโกกันนานจะแสนนาน <c oughs> ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบังเ อ, อิญมีอายุมากอย่างนั้นจะเพราะพระพุทธเจ้ามากการเพเป็นธรรดาได้เป็นนางฟ้าเป็นลมปกติมีความสุขกว่าคน เมื่อองค์สมเด็จพระทธสุพลคือพระพุทธเจ้าทรงเทศข้างไรตรายกรมตามพระบาลีกล่าวว่าเทวดานางฟ้ากับพระวระุธมรรคผลมากกว่าคนเพราะเขา ม, มีความสุขอันนี้บรรดาญาโยมพุทธริษัทกไม่ฟังสบายใจได้รีบประการหนึ่งเมื่อกี้นี้บรรดาท่านพุทธบริสัทธ์ทั้งหลายฟังพระสูตรอภิธรรมอภิธรรมนี่มีความสําคัญมาก ที่องค์สำเร็จพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุเปรสัมมาสัพพุทสียันแล้วได้เจ็ดวันพระมารดาก็ต้องตายทั้งนี้เพราะอะไรพระพเจ้าทุกองค์เป็นกันหมด <c oughs> ไม่ใช่เกิดมาฆ่าแม่แต่เป็นว่าครันนั้นท้องนั้นที่พระเจ้าเกิดเด็กอื่นไม่ควรจะมาเกิดซ้ำที่นั้นพระมารดาจึงต้องตายมาตายแล้วก็อยู่ชั้นดนตรี องค์สมเด็จพระธรรมสสา ม, มิตรบรรลุองค์เสดสัมบาสัโพธิญาณแล้วไม่กี่ปีองค์สมเด็จพระจินสีก็มีความตระหนี่ว่าพระมารดามียก็ขุณมากเคยให้น้ำนมุละข้าวก่อนมาในกายก่อนแล้วไม่ยืดขึ้นมาได้ก็ราะอาศัยมารดาเป็นต้นเหตุแล้วองค์สมเด็จพระบรมกาชเอกก็อยากจะไปสนองคุณพระมารดาจึงมาพิจารณาว่าธรรมข้อไหน พระวินัยก็ดีพระสูตรก็ดีที่องค์สมเด็จพราสีสมบูรณ์มาแล้วจะเป็นของคู่ควรกับคุณขบรนดาหรือไม่เราทรงทราบว่าไปเป็นของไม่เป็นของคู่ควกันยังไม่พองกับคุณขบัรดาก็พิจารณาถึงพระอภิธรรมเห็นว่าพระอภิธรรมนี้เป็นของคู่ควกับคุณขมันดาจึงตัดสินใจ ตั้งใจว่าจะไปเทศองค์สมเด็จเสด็จท ร, ร ง, งพระพ mantara ที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวาโลกเมื่อทําจะมิเช่นนั้นแล้วองค์สมเด็จพระที่แก้วหลังจะแสดงยมุกปฏิหารวันนี้ไม่ใระเทศยมุกปฏิหารน้ำมันยาวหลังจากแสดงยมุกปฏิหารนี่เมืองพรานราสีแล้วองค์สมเด็จพระที่แก้วก็ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเวลา น, นั้นเมื่อขึ้นไปแล้วก็ไปอินกมต้อนรับ ตามธรรมดาเราก็ะเจ้าเวลานั้นสูงแปดสองขมนุษย์แปดสองขุมมนุษย์เวลานี้ก็เท่ากับสิบหกสองขมนุษย์เวลาปัจจุบันแปดสองเวลานั้นนะสูงมากและเมื่อเวลาในองค์สมเด็จพระกั๋วังขึ้นไปที่บรรดุกมปัญชีระอาธเทตดดาวดึงพระอินก็สร้งมาต้อนรับเมื่อพระอินมาต้อนรับก็ชงคิดว่า ก็ดิมลให้พระเจ้าปประทับโดยบรรดุกมวณิีดาอาที่ไปแท่นประทานของไปะอินตอนนี้พระบรรดุกมวณิีดาอานั้ยาวสามสิบโยศกว้างสิบห้าโยศโฉสางยี่สิบโยชแล้วโฉสูงห้าโยศเหมืกันก็ยิ่งก็คิดในใจว่าองค์สมเด็จพระจอมใจบระมาศสดาเป็นมนุษย์สูงแค่แปดสองของมนุษย์ท่านนั่งอยู่บนแท่นบรรดุกมลศีาอา ก็มีสภาพไปต่างอะไรกับแมลงตัวเล็กๆต่อบนขออ้ออีแต่ถึงกันไดน้ก็ดีในเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีมีาบารมีมากมีบุญมากเห็นพระบรโมโอรสาธพระอิงก็ดีหมดให้นั่งบนบรลลักพระมณฑลศีรอาศไม่เมื่อพระอินทร์คิดอย่างนั้นองค์สมเ ด, ด็จพระบรมโอรสาธิยทรงโยนสังฆาติพอโยนไปแล้วก็เป็นค่ำปิดบรรลัก์พระมลศีระอาศพอดี แล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็นั่งพอนั่งประทับก็ใหญ่โตพอดีกับบนตักระโปเสี้อาดเนี่ว่าเป็นเก้าอี้ที่พอเหมาะพอดีกันพระอินเห็นอย่างนั้นก็ตกใจจังด่าทูลองค์สมเด็พระจอมใจประมาสซาชดาว่าพันเตพระกวาข้าแตองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าโพรเจริญเราก็เดี๋ยวกาเมื่อพระองค์ขึ้นมาใหม่ๆตัวเล็กนิดเดียวแค่แปดสองคนมนุษย์ เวลานี้บรรดุกระบศีระอาจยาวถึงสามสิบโยชน์กว้างสิบห้าโยต์สูงสิบห้าโยต์ของมนุษย์แต่ในเมื่อองค์ประทับนั่งแล้วเป็นการพอดีใหญ่โตพอดีเป็นเพ อ, อะไรองค์สมเด็จพระจอมไ ต, ตรยมศสัรดาจึงได้มีพระพุธทธกิจการว่าจึงต้องตีพิพิจการ ว, ว่ากุศ โ, โลบ า, า, ามานุคำว่าพระเจ้าหาบามานไม่ได้ <c oughs> เวลาที่ท่านนั่งนั่งในฐานะที่พระเจ้าจะให้ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ได้เป็นว่าพอดีก็เป็นว่าตอนนี้เป็นองสมเด็จพระจินดารสีทรงรแสดงการสรงพระพุทธมารดาว่าเป็นธรรมะที่สูงสุดตอนนี้มันกล่าวกันฟังพระบิธรรมัรดาถางพระไริสัตว์เรื่องพุทธมารดาเ น, นี่ยมันยากเพราะจะฟังพระบิรมจบก็ปรากฏว่าท่านบรรลุโสดาปติการ บทประพาวตาประสิทธิผลท่า <c oughs> นี้ต่อมาบรรดาธรรมดุสสากลเทศกชนสําหรับพวกเราเราพ็ตระบายสัทที่ฟังพระบิธดามีประสงค์ด้วยความเคารพบทมาดีกาไม่กใชได้กล่าว่ากุศลาธรร ม, มากุศลาธรรมาปยากราธรรมา <c oughs> ใจความก็มีเท่านี้สามคำแต่นอกนั้นเป็นคำอธิบายของพระเจ้าท่าน คำว่กุศลธรรมมาคือธรรมที่เป็นกุศลคำว่ากุศลนี่แปลว่าฉลาดอากุศลธรรมมาแปลว่าธรรมที่เป็นอกุศลหรือธรรมโง่อภิญาการตาธรรมาธรรมที่ไม่ใช่กุศลนาะอกุศลเป็นเรื่องข น, นิพานเป็นคนที่มีจิตว่างใจจกิงเ <c oughs> มื่อองค์สมเด็จพระรามเชษมุ่งเทศอย่างนี้ก็สนแสดงว่าให้คนทุกคนละอารมณ์ที่เป็นอกุศล ถ้าปฏิบัติอารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่ปฏิบัติอารมณ์ที่เป็นอุศลอย่างนั้นต่อเรื่อยๆไปไม่ไม่ชาตแ น, น, น, นันตราจิตโลษาจะยิตเลยเพราะในวัน น, นี้บรรดาในบริษัทที่มาบำเป็ญกุศลทั้งหมดเป็นคนที่มีอารมณ์ที่เป็นอกุศลทั้งหมดท <c oughs> ั้งนี้เพราะอะไรเพราะมาไกลหลายท่านที่มาถึงวัดท่าสวนันเป็นหลา ย, ลยร้อยกิโลก็มีอย่างตําๆก็ร้อยกิโลเศษ ตั้งมาตั้งตั้งใจทำมือกัโดยเฉพาะเอ้การฟังอภิธรรมมีไอ้สงอย่างไรสหรับคนบรรดาจะพัฒนาสัตว์ายเป็นของไม่ยากท่านฟังอภิธรรมในชาตินี้ด้วยความเคารพแม้แต่จกเดียวและก็ท่านไม่ลืมอภิธรรมคําว่าไม่ลืมก็หมายความมาก่อนจะหลับก่อนจะนอน <c oughs> นึกว่าบทอภิษฎอภิธารพิพากสวดเราเคยจำได้เมื่อกุศลาทำมาตมาปยากระตาทำมาเป็นต้น <c oughs> ว่าธรรมะนี้เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระทศพนท์เทศสอนไว้ว่าเป็นธรรมะสูงสุดที่ควรกับคุณคมุมารดาเพียงแค่นี้บรรดาพระพุทธบริษัทหลายโดยทุนนาท่านตายจากความเป็นคนเมื่อไรคําว่าอบายภูมิคือหนึ่งเป็นสัตว์นรก สองเป็นเปรตสามเป็นสุรกายสี่เป็นสัตว์ดิสารจะไม่มีกระพันมันหมายความว่าท่านอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นนางฟ้าก็ได้เป็นโสมก็ได้การกําลังใจของท่านถ้ากําลังใจก่อนตายของท่านนึกถึงคําข้อนี้เบาๆก็ไปเทวดาหรือนางฟ้าถ้ามีกําลังใจหนักแน่นเป็นชายก็ไปเป็นโสมในเมื่อไปเป็นเทวดาก็ดีไปเป็นนางฟ้าก็ดี ในเมื่อพระสีอานทรงจัอุบัติขึ้นในโลกหรือไม่นานนักประมาณสามล้านปีสามล้านปีก็ไม่นานนะดวงดาดึงนั่นไม่ได้กี่วันดาดึงนั่นหนึ่งร้ยปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือนอีกสองเดือน เ, เป็นหนึ่งปีเหมือนกันอายุของดาวดึงจริงๆจะมีอยู่ได้พันปีทิศแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทบทเรียนเทวันนี้ มีอสมวย่ต้องอยู่ดาวดึงต้องสามร้อยสี่สิบกลับอยู่นานมากก็ไปว่าต้องพบพระพุทธเจ้ากันแน่ในโลกนี้ยังมีในกลับนี้ยังมีพระเจ้าอีกหกองค์คือหนึ่งพระสีอานถ้าต่อไปรุ่นที่สองก็มีพระรามเป็นเบื้องต้นถึงท่าบาดัดดลายกะเป็นสุดท้ายในโลกกลับนี้มีพระเจ้าสิบองค์ <c oughs> เปในเพียงว่าท่านฟังเทศจาก พระชีอ่านเพียแค่จบเดียวทุกคนก็จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอาหารหันต์หลังจากนั้นก็มีกานไปนี่ฉันแบบเลยทำให้คุณฟังนะเล่นมาว่ากันเื่องสัตว์ฟังเมื่อคืนเมื่อวานนี้ก็เทศีแล้ววันนี้ก็ลงเทศกว่าวันนี้คนมากกว่าว่ากันเื่องสัตว์ฟังอย่างคนที่ไม่รู้เรื่องเลยพวกเรารู้เรื่องถ้าเมื่อรู้เรื่องไะหมายความพระที่สวดเราทราบว่าท่านเป็นพระ ถ้าใครทำได้สวยมาแล้วก็ทราบว่าเป็นพระอภิธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นเป็นบทวาริตาครับว่าบทวาริตาไว้แม่บทมาฟังกันว่าเมื่อเวลาสัตว์ฟังคือว่าในสมัยพุทธกศพเวลานั้นพระพุทธเจ้าพุทธกศพปทรงสอนบรรดาพันธุ์พราหมณทั้งหลาย ให้ศึกษาในพระ ธ, ธรรมโดยย่อคือบทมารีกาและพระธรรมสิจมพี <c oughs> ที่สวดกลางคืนกับสวดกลางวันเนี่เหมือนกันแต่จำว่าวพระฟังแล้วก็ดําไปซักซ้อมกันในถ้ำในถ้ำนั้นบังเอิญมีข้างคาวห้าร้อยตัวนอนกลางวันเอาขาจับบนอันทันไปดานถ้ำหัวห้อยลงมาและในขณะนั้นก็มีมี งูเหลือมแก่ตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างธรรมสําหรับข้างคานนั้นฟังเสียงพระสวดพระเสี็จสวดซ้อมพร้อมๆกันเสียงเสมอกันไถแล้ะฟังฟังไปฟังไปก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าเป็นพระสวดชอบเพียงเสียงพระธรรมเท่ทานั้น <c oughs> แล้วก็ไม่รู้ว่าเสียงพระธรรมเราจะเรียว่าชอบเสียงธรรมเพียง <c oughs> ชอบเสียงที่สวดเพลินเพลินไปในะที่สุดก็ง่วงหลับหลับก็หล่นลงมาตายพร้อมกันทั้งห้าร้อยตัว เมื่อตายทั้งห้ารอยตัวแล้วไปเกิดเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดไปเทวดาไปสวรรค์ชั้นดาวเรืองไปโลกทั้งหมดแค่ใช่เขาไม่รู้เรื่องนะต่อมาเมื่อพระเจ้าออนี้บัติขึ้นในโลกทั้งค่าวเทวดาทั้งหมดพวกนั้นก็มาเกิดเป็นคนมาเกิดเป็นคนก็เป็นลูกชาวประมองอีกชาวประมงต้องฆ่าสัตว์ทุกวันเป็นบาปบาปของชาวประมงนี่นับไม่ได้บรรดาทาธรรมปุริษัตว์ ท, ทวันหนึ่งวันหนึ่งจับสัตว์มากเหลือเกิน แค่ว่าต่อมาเมื่อภาษาที่บทไปที่นั่นคนน่าห้าดคนมีความเลื่อมใสในภาษาที่บทยิ่งลาพ่อลาแม่เขาอนุญาตบทในสนักภาษาที่บทเมื่อบทแล้วภาษาิี่บทก็ท่งสั่งสอนทำมาวินัยตามกําลังที่เพื่อสอนได้วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจอมไตรยระมศาสษัตริย์สัมมาสัาสมพุทธเจา้าลงมาจากสวรรค์ฉั น, นดังเดินมาบินบาบในตอนเช้า ก็ม า, าคอยภาษาดีบทที่กวัรกศาโภคนีการโกดในขนาดนั้นองค์สมเด็จพระจินดาสีใหภาษาดีบทกลับมาจากบาิจฉาบรรณยงทรงเรียกภาษาลีบุตตะดูก่อนสาษาดีบทมาที่นี่ก่อนเมื่อภาษาิบทได้เข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจินวรสัพระองค์ทรงตรัสว่าสาษาบุตทดูก่อนสาษาบุตรลูกศิษย์ของเธอทั้งห้าร้อยคนเดิมทีนี่เขาเป็นข้างข่าว ตามที่เรามาแล้วเมื่อกี่นี้ท่านก็เคยฟังอภิธรรมมาฉะนั้นวันนี้เมื่อกลับไปถึงที่แล้วเคยสังข้าวเสร็จลูกศิษย์สังข้าวเสร็จให้เรียกไปชุมพระทั้งหมดแล้วเธอจงเรียนอภิธรรมโดยย่อที่เรียกบทวัดอธิกา ร, ธ ร, รอรรารธรรมมิภาษณ์โสมกี่นี้ <c oughs> เอาไปสอนพวกเธอเมื่อเธอไดจบพระทั้งหมดเจมารุอรหันทั้งหมดภาษาลีบทประท ต, ตามนั้น ไม่ที่สุดก็บริวารหันยาบรรดาท่าพุทธบุตรศาสดทุกท่านม้แต่สัตว์ข้างข่าวซึ่งไม่รู้ภาษามนุษย์ไม่รู้ว่าเป็นพระไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเขาเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดมาเป็นคนก็ไปรหันชั้นใดก็บรรดาญาติโยมพุทธบรุตรทาสดหลายทุกคนที่นั่งที่นี่รู้ว่าคันท่านที่สวดเป็นพระอันดับแรกนึกว่าเป็นพระก็เป็นสังขารสติเป็นบนชั้นแห่งกร ตนประการที่สองธรรมะที่พระสุมานุสตรู้ว่าเป็นประธรรมเป็นธรรมมานุสติแต่การที่สามทุกคนมีความเคารพในพระพุทธเจา้าที่มานั่งทั้งหมดที่ท่าไร ม, มีความพระพุทธเจ้าและไม่มากันถ้าสงฆ์จะมีขึ้นมาได้เพระอาศัยพระพุทธเจา้าเป็นไฟเป็นพุทธานุสติท่านได้ในอนุสติทั้งสามด้วยได้ฟังพระา้าคธรรมด้วยดะนั้นจึงไม่ต้องใช้เวลายาวอย่างช่งขาว เพื่อข้าวไปเกิดเป็นเทวดาแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์จึงเป็นพระอาหารหันต์ลำดับบรรดาญาโยงพระบรสษรทุกท่านทุกคนนี้เมื่อฟังแล้วตังพยายามรักษาความดีไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลหรือว่าธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านจำได้อย่างสง่าทานก็ดีเราเคยจะหวสง่ท า, านเราจำได้เราเคยใส่บาตรเราจำได้ ถ้าเราเคยบูชาพระกาจําได้เอาจําได้อย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นบุญกุศลเวลาจะตายบรรดาในพุทธบริษัททุกคนจะไม่ไปอบัยยภูมิกุศลจะนําท่านไปสู่สวรรค์ก่อนเป็นอย่างน้อยดูตัวอย่างพระทึ่งเป็นลูกลูกชาวละโมทั้งหมดแต่ความจริงเขาทําบาปมากกว่าเราแต่ว่าไม่ทันจะตายเขาก็เป็นพระสารไม่ใช่บาปกันได้เกิดบุญสามารถบันดาห น, นีบาปได้ เมื่อทุกท่านมีความเรื่มใสตั้งใจจำแบบนี้แล้วตายจากความเป็นคนไป็นเดเป็นธรรดาเป็นนางฟ้ารือพรหมฟังเทศจากพระพุทธเจ้ า, าคือพระสองค์อนภาษีอาญาเมตไสเป็นแค่จบเดียวก็เป็นพระสารแต่ว่าไม่แน่ใจนักที่บรรดาแต่พุกบริษัททุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่ตามที่สังเกตนะมองแต่หน้าเห็นน้าสีาบงเห็นหน้าบาง ก็มีความเข้าใจว่าหลายๆคนตั้งใจไว้เพื่อนิพพานชาตินี้มีอยู่แล้วท่านนั้นหลายที่ตั้งใจเพื่อนิพพานในชาติมีอยู่แล้วให้นึกถึง อ, องค์สมเด็จ พ, พ, พระพุทธเจ้าทุทูตพระโอตั้งใจที่ถันว่าเมื่อข้าเพเจ้าตายมาเาามื่อไรขอไปนิพพานเมื่อนั้นทําใจไว้อย่างนี้ทุกวันก่อนจะหลับและก่อนจะตืน่น เวลานอนพิสระถึงหมอนก่อนจะหลับนึกถึงว่าข้าพเจ้าจาตายเมื่อไรเขาปฏิพานิมานั้นหนึ่งก็ตงนึกถึงว่าพระเจ้าท่านเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆไม่ต้องลุกนึกนท่านผีว่าถ้าเราตายวันนี้เราขอไปอนิพพานนี่เฉพาะท่านที่ปฏิบัติในสุขบุพสาวกสท่ากับท่านที่ปฏิบัติในมโนยิธิหรืออัญญามโนยิธินี่คืออปัญญานะ <c oughs> ที่ใช้ศัพทว่ามโนยิทธิเราหมายความว่าใช้เฉพาะกําลังใจแตะว่าท่านจะได้มโนยุทธิหรือวิญญาในตอนนี้ก็จะหลับพุ่งใจไปนิพพานก่อนทั้งสองนาทีก็พอไปไหวพระพุทธเจา้าหรือไหวพระพุทธเจ้านั้นจุรา ม, มนีก็ได้ที่นิพพานก็ได้ควรจะไปนิพพานวิมานของเราอยู่ที่ไหนเข้าไปในวิมานนั้นตั้งใจว่าเมื่อเราตายอย่างฟันเป็นคนอะไรขอมาที่นี่แค่สองสามนาทีก็พอ ตื่นขึ้นมาใหม่ๆไม่ต้องลุกจากที่นอนเนรวบรวมกำลังใจไว้จิตใจกำลังดีพุ่งจะตใจของเรานี่ไปที่นิพพานตามที่เราแม้เมื่อกี้นี้ถ้าทําอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนสามารถจะเป็นเป็นผู้เข้าถึงมิถีพานได้ทันทีบันใดในชาตินี้ไปคว่าเมื่อตาย เ, เ, นนายเมื่อไรวันนี้พานแบบนั้นและอีกวันหนึ่งวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านนอกจากทาบุญตนเองแล้ว ก็ตั้งใจสรงเคระบิดามดาญาตผู้ใหญ่ที่ญาติผู้น้อยที่ตายไปแล้วอย่างเมื่อกี้นี้ทา ย, ยับอกประกาวว่าพระตกะปวตานิการทําบุญคราวนี้ขอทิศสงสารเนื่องจากท่านผู้ตายอันนี้เป็นการแสดงในความกตัญญูรู้คุณรู้คุณในความดีเพราท่านที่มีความดีกับตนท่านที่เป็นพ่อท่านที่เป็นแม่ผู้ย่าตายายเป็นญาติผู้ใหญ่ที่มีคุณกับเรา ถ้าเราไม่มีต้นแต่กุลเราก็เป็นคนขึ้นมาไม่ได้แต่ที่มีตนขึ้นมาได้ก็อาศัยความเมตตากรุณาของท่านเมตตาความรักกรุณาความสงสารท่านสละทุกอย่างต้องสละความสุขของท่านเป็ความเป็นอยู่ในชีวิตของพวกเราขึ้นชื่อว่าเป็นความดีของท่านตอนนี้วันนี้บรรดาทุกท่าน ต, ตั้งใจทําบุญแล้วตั้งใจทุศสงสงในท่านเป็นการสนองความดีที่ที่ท่านทําให้แก่เรา คนที่สนองความดีอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินเสกกล่าวว่านี้มิตั้งสาตรูความนันตะตัญยุแต่เวทิตาซ <c oughs> ึ่งพระพุทธเจ้าทรงชมเชยว่าคนที่มีความกตัญญูรู้คุณที่ทําแล้วท่านทําแล้วแสดงสนองตอบคุณท่านดังกล่วกาวว่าบุคคลนั้นเป็นคนดีนี่หมายความว่าคุณที่จะเป็นคนดีได้เธอต้องเป็นคนที่มีความกตัญญูรู้คุณพระเจ้าทรงสรรเสริญตามนั้น <c oughs> เป็นนันว่าบรรดาท่นพุทธบริษัททุกท่านนอกจากทาความดีเพื่อตนแล้วยังตอบสนองคุณคุณของท่านที่ตายไปแล้วด้วยชื่อว่าเป็นคนดีอย่างยิ่งอรัมบรรดาท่นพุทธบริษัทชายหญิงวันนี้เทศมาก็เหลือเวลาประมาณสามนาทีถ้าอนามาตุณกุศลบุญยาสีที่บรรดาท่นพุทธบริษัททําแล้วในวันนี้แล้วันนี้ก็ไปวันสดอกเสาะ คำว่าเคาะหมายควาว่าเป็นบาปเก่าที่เราทำมาแล้วในชาติก่อนบาปถ้าเวลามันให้ผลจะมีแต่ความร้าร้อนไม่มีความสุขเหมือนกับคนยืนอยู่กันในกลางแดบดบในกลางแจ้งเวลาปัจจุบันระหว่างนี้มันร้อนมากถ้าท่านยืนในกลางแจ้งมันจะร้อนจัดถ้าบางเออเรามีร่มคันเล็กๆคันยอ่ยอมๆมากลาง มันจะบรรเทาความร้อนลงไปนิดหน่อยถ้ามันเอ่ยใครเข้ า, าน้ํามานก็ค่อยราดมันจะเพิ่มความเย็นมีความเย็นขึ้นมาแต่แสงแดดที่ก็มีความร้อนมายังไม่หมดชั้นใดแสงแดด ก, ก็ยังร้อนอยู่ฉันนั้นแต่ว่าต้นใจอาศัยที่เราอาศัยน้ําน้ําราดตัวมันก็ยังมีความเย็นต่อสู้กันไปน้ําทําให้เราเย็นแสงแดดทําให้เรร้อนข้อนี้ชั้นใด คำว่าเขาคือบาปอาุศลเก่าที่สนองเรามาไม่จะทําให้เรามีควา ม, ร, ามร้อนนี่การทําบุญบุญนี่เหมือนน้ําบุญเป็นความดีการสมาทางสิงก็ดีการสวายช ง, งก์ไทยก็ดีการบวชเนองก็ดีการบวชีก็ดีการฟังอภิธรรมก็ดีทั้งนี้เป็นน้ําที่มีความเย็นมากที่สุดแถมากธรรมนุษย์ที่มีควา ม, ามร้อนให้มีความมีความเย็นมีความสุขได้ชนใด การสะเดาะเคราะห์ธรดาท่านพุทธบริษัทหลายก็เริ่มมีมาตั้งแต่บัดนี้เ ป, ป็นนไปคือบาปเก่ามาจะสนองท่านเท่าไรก็าตามทีถ้าอาศัยบุญนั้นหลายเหล่านี้ที่ท่านทำสามารถจี ท, ท่าจิตใจท่านเกียรติย็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าบาปเราล้างมันไม่ได้แต่ว่เราต้องทําบุญนี้บาปตัวตัอย่างเช่นพระห้าร้อยองค์ที่เป็นลูกเอเป็นขัข้นขามาเกิดเป็นลูกชาปโมง เขาทำบาปกันทุกวันช้าหาบลาเป็นลำลำแต่เขาก็ไม่พ้นบาปแต่ในที่สุดอาศัยที่ฟังพระธรรมจากโอพรองค์สมเ ด, ด็จพระรูมโนคณาธิภาษาที่พระไปสอนอาศาัยบุญใหญ่เข้าถึงตัวเข้าไปพระอรตผลในขณะที่ไปพระทหา น, นั่นบรรดาทั้งพระทวายสัตว์ทุกท่านบาปยังตามสนองอยู่เขายังมีร่างกายกายข่าสัตว์มันทําให้ป่วยการรักทัพย์ทำให้ของหาย ทำการให้สุรหตฉาอาจารย์ไปเหตุให้คนในปกครองดื้อดาน <c oughs> การวัชกาวาจามุสาวาไปเหตุให้ผูดคนไม่ชอบใจกามถึงสุรามีไรไปเหตุโบธิศาสตร์และปเป็โลกเสินประชาสมันยังมีอยู่แต่ในเมืยย่อเขาตายจากศาสนาตายจากร่างกายนี้มา่ล้วความทรงจำเบื่อมีมากที่สุดนั่นคือพระนิพพานอัน บ, บรรดาท่ะนผู้ปริสาตทุกท่านผลบุญอันใดที่บรรดาข้ า, ขาวสารทั้งหลายทําแล้ว ได้บรรลุผลตางในในศาสตร์สัองพระเดชพระเทพแก้วคือเป็นอรันชั้นใดขบรนดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายเจ้ามีความผลเช่นนั้นในที่สุดะในที่สุดธรรมเธิกานี้อาจจะมาภาพขอตั้งสัตยาทิฏฐานอ้างคุณบมืรอศีรษะไตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะตั้งสามประการขอจงดูบรรดาและบรรดาแต้พุทบริษัททุกท่านมีแต่ความสักสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสองมูลบุญผล ได้จงเจริญไปด้วยจากถรพิธั์พรชัยทั้ง4ี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละบริยภิญญาภาปัตนาสิ่งใดขอได้ฉะนั้นทุกความปัญหาทุกประการอาตมาพาดก็ทางวิจัรนามาในธรรมีก็แตาขอยุติปัมรตินาลงคงไว้เก็บเลี้ยงเท่านี้เอวังก็มีเถิดการะชนีในังกาทุการังกถามาเตปตุ สาธุสาธุ